เรื่องที่6พระอุปคุตอยู่ไหนถึงเวลานิมนต์มาได้แล้วตอบปัญหาโยามเมื่อวันที่21ิมิถุนายนพุทธศักราช2553 เลาอยากจะขอไปเรื่องพระอุปคุตอะไรนิดหนยเรื่องบ่อเรื่องเรื่องพระอุปคุตน่าจะเรื่องสั้นครับคือผมออกจะแปลกใจครับว่าในพจทธนุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัสตร์ของท่านอาจารย์เนี่ยก็มีพระเถระสําคัญในยุคพระโสดาราชครบถ้วนเลยไม่ว่าพระเนี่ยครับโมฆะเลบุตรติสัยเถระมายินทเถระโสนาเถระอุตตเถระแต่เหตุใดไม่มีพระอุปคุตแตเถระอยู่ในพุทธนันทกรมเล่มนั้นครับคือถ้าพูดแบบภาษาสมัยใหม่ พระอุปคุดนี่เทียบกับพระเถระอื่นแล้วก็เรียกว่าพระอุปคุดนี่เป็นบุคคลเชิงตำนานส่วนองค์อื่นนะั้นเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์เราก็บุคคลในประวัติศาสตร์ไว้ก่อนส่วนบุคคลในตำนานนี่มันไม่มีความแน่นอนแล้วก็คนไทยเนี่ยกลับชอบคนในตำนานเหตุที่ชอบสันนิษฐานว่าเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องคนไทยชอบอิทธิฤทธิปาฏิหารก็เลยพระอุปคุดก็เลยมาอยู่ใน ความทรงจําคนไทยมากกว่าพระที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ใช่ไหมอาจจะอย่างนี้เดี๋ยวเราจมาเล่านิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงคือพระอุปคุตเนี่ยอาจจะมีเช่นอย่างในปฐมสมโพธิซึ่งปฐมสมโพธิเนี่ยเป็นหนังสือประเภทตำนานแล้วก็จะพา น, นนาเชิงวรรณคดีมากกว่าที่จะมุ่งในทางข้อเท็จจริงอนนี้ในคัมภีร์เองเนี่ย พระอุปคุดเนี่ยมีชื่อปรากฏอยู่ในคัมภีร์สักสองแห่งเท่านั้นเองนะหนึ่งก็ในคัมภีร์ยวยากรณท่านก็พูดเชิงว่าพระอุปคุดเนี่ยเก่งในเรื่องปราบมารใช่ไหแล้วก็อีกแห่งหนึ่งในคัมภีรชันดีกาก็พูดในเรื่องเนี้เรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับว่าท่านเก่งในเรื่องแก้ไขปัญหาจากการที่มารจะรังแกอะไรพวกนี้ยรวมแล้วก็คือพระอุปคุดเนี่ยมีชื่อในเรื่อง อิทธิฤทธปาติหารโด้จะพาะกรรมารและทีนี้เรื่องมันโยงไปหาพระเถระว่าในคำพีเนี่ยอีกองหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่เป็นพระในเชิงบวชศาตร์แต่ก็มีชื่ออยู่ในคำพีในเชิงตำนานชื่อพระอินทคุตนะอาจจะเกิดความสับสนกันระหว่างพระอุปคุตกับพระอินทคุตพระอินทคุตตะเนี่ย ก็มีชื่อในทางแก้ปัญหามานปราบมานกั้นมานก็คือเรื่องตำนานตอนนี้จะมีบอกว่าพระพระเจ้าอโศกมหาราชนีพระเจ้าอาโศกมหาราชเนีาาาา่ยตอนหนึ่งตอนที่นับถือพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนี้ตอนหนึ่งก็ได้ถามพระว่าคำสอนพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร่ พระท่านก็ตอบว่ามีแปดหมืสี่พันวัตธรรมขันนี่พระเจ้าทรงมหาราชในี่ยพราะความที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากจะทําบุญกุศลให้ยิ่งใหญ่พอได้ยินว่าพระธรรมมีแปดหมืสี่พันวัตธรรมขันก็เลยอู้อย่างงี้เราสร้างวัดแปดหมื่นสี่พันวัด <c oughs> ก็เลยเอาเลยตกลงว่าสร้างวัดให้เท่าจํานวนพระธรรมขันแปดหมื่นสี่พัน แล้วก็คณะสงฆ์ก็ตั้งพระชื่ออินทขุตเนี่ยพระอินทคุตเถระให้เป็นพระดูแลการก่อสร้างของพระเจ้าอาโศกเนี่ยโดยเฉพาะที่วัดที่อโศกกราม <c oughs> คือที่อโศกกรามก็เป็นวัดของพระเจ้าอาโศกมหาราชก็สร้างวัดในชุดแปดหมนสี่พันนด้วยพระแน่นอนว่าวัดที่อโศกกรามเนี่ยก็ต้องยิ่งใหญ่ที่สุด พอเป็นวัดของพระเจ้าแผนดินเองแล้วก็เลยพระอินทรคุณนี่ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลการก่อสร้างอันนี้นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าท่านก็ดูแลจนกระทั่งสร้างเสร็จในกี่ปีจำไม่แม่นและสาปีหรือเจ็ดปีอะไรเนี่ยสร้างจนเสร็จอันนี้ก็พระอินทคุณนี่ก็มีชื่อในเรื่องมาดูแลเรื่องงานการใหญ่ๆเช่นงานบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุมานมันจะมาลังควานท่านก็ไปป้องกันปราบมารกันมารอะไรพวกเนี้ยอินทรคุณองค์เนี้ยน่าจะมาสับสนกับชื่อพระอุปคุณนะ พ, ะพระอินทรคุณมีในประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับมีในค้อนในตำนานที่มั่นคงกว่ามั่นคงกว่าพระอุปคุณพระอุปคุณ ค, คือหมายความว่ามีชื่อในกัมพี้อัตฉริยด้วยอย่างอัจถริยวินัยมัง ชื่อว่าสมัติปาสาทิกาก็มีนามพระอินทขุศที่ว่าเนี่ยซึ่งเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีส่วนพระอุปคุศดูเหมือนเป็นสันสกฤตใช่ไหมครับไม่ไมก็มีในบาลีแต่ว่ามีน้อยแห่งแล้ก็มีพูดแค่พูดถึงนิดหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่านามท่านเพี้ยนไปเพราะพูดต่อต่อกันมาพระอินพระอินทขุศจะมีม่าเป็นอินทขุตนี่แหละจะมีมากก่าเป็นอุปคุศไปคืออินทขุศนี่มีเรื่องวีราวเลย ว่ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้มอบหมายหน้าที่ให้พระอินทรคูธเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างวัดอะไรเนี่ยมีแต่พระประคุธนี่พูดถึงในคมภีนิดหน่อยแล้วก็พูดแค่ว่าท่านเก่งในเรื่องแก้กปัญหามารการรังควานของมารอะไรเงี้ยก็พูดแค่นี้เองคือพูดถึงไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องราวมีแค่พูดถึง แต่อินทคุณนะั้มีเรื่องราวเล่าเลยต่างกันแล้วก็อินทคุณนะั่นก็หมายความมีเรื่องราวในคัมภีร์ที่เป็นขั้นต้นกว่า mm. เช่นอัติกถาแล้วก็เรื่องราวก็มากมาในมหาวงก็มีเรื่องเนี้เรื่องที่ท่านดูแลการที่มาจะเข้ามาลังควานกันมาในต่างๆในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไปงานใหญ่เลยพอนทั้งที่ อินเดียในชมพูทวีปและที่ทางลังกาทวีปเรื่องมันยาวคนนี้ก็รวมแล้วก็คือเรื่องของพระพระอินทกุศลเนี่ยก็มีเรื่องมากในคัมภีร์ก็น่าจะเป็นองค์เดียวกับพระอุปคุศนี่แหละแล้วอุปคุศนี่ก็คือนามท่านอาจจะเลือนมาแล้วก็พอมาถึงเมืองไทยเพราะคนไทยนี่ คงจะชอบเรื่องอิทธิฤทธิธปาฏิหาริมากกันเลยชอบพระอุปคุต <c oughs> คือบังเอิญกระแสที่เลื่อมใสศรัทธาพระอุปคุตมากเนี่ยนะครับมาจากทางล้านนาคือภาคเหนือของประเทศไทยนะครั บ, รบรคนทางละแวกเชียงใหม่เชียงรายพวกนั้นรับรับแนวนี้มาจากพม่าอีกทีหนึง่งจนที่เชียงใหม่นในตัวเมืองเล ย, เยมีวัดอุปคุตอยู่ อยู่ใกล้ไนบาซาอะไรนันไนบาซาเลยนะครับคงจะมาจากแถวกิติริศปาติหารปราบมารเก่งแล้วที่พม่าผมก็ดีนว่าโอ้โหบูชาพระปกุศกกันมากเลยนะครับถ้าตามที่ผมได้ยินมาเนี่ยเขาถือกันยังไงครับเขาถือว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยถูกเทวปุตตมารรบกวนอยู่ตลอดเวลา ทุกยุคทุกสมัยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับ เ, เพราะอย่างนั้นในเมื่อมีแทวบูปุตมารบกวนผู้สายมาตอลอดเวลาแม้สมัยพระพุทธองค์ยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องมีผู้ที่มีอิทธิปฏิหารเพียงพอที่จะรับมือกับแทวบูปุตมารหรือพยามารได้ซึ่งในยุคพระเจ้าโศกก็มีพระอุปคุตนี่แหละเป็นหลักนะครับแต่ที่นี้บังเอิญต่อๆมาเรื่อยๆจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ย พระภิกษุในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่มีปรากฏว่าผู้ใดมีที่ปฏิหารเพียงพอเลยต่อต้านฤทธิ์ของเทพบุตรมารหรือพิยามารไม่ได้เลยพระพุทธศา ส, สนาเลยเลยเหมือนกับแหลกลงเรื่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆ<ช>ถูกถู ก, ถกอิสลามบ้างคริสต์บ้างยั่งชิงมวลชนไปมากมายและวพูดแหลกลงเรื่อยๆนะครับก็เลยเป็นที่ทําให้คนสนใจสนใจว่าน่ากลัวพุทธศาสนาจะต้องมีผู้มีที่เดือดหันามามาช่วยปกป้องรักษาศา ส, สนาแบบปุบคุษบ้าง เพอย่างนั้นเนี่ยครับชิดชั้นเดียวครับและและอยากนิมนต์ท่านอาจารย์เลยว่าถ้าจะทำพระพุทธเจาในกรมแก้ไขเพิ่มเติมครั้งต่อไปจะเติมทั้งพระอุปคุตและพระอินทคุตได้ไหมครับพระอินทคุตนี่ผมไม่เคยได้ยินเลยครับไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยก็นั่นแหละมีหลักฐานจริงกับพระอุปคุตอาจารย์จะเติมในการแก้ไขไว้ดูทีคือหมายความถ้าจะให้สมบูรณ์มากมายเชิงตำนานอะไรแต่อะไรด้วยก็ใส่ด้วยแต่ทีนี้ว่าเรื่องว่าการปราบมารสาคัญเนี่ย มองสองชั้นนะอย่ามองชั้นเดียวที่โยมว่าว่าเออในสมัยพุทธศาสนารุ่งเรืองได้มีพระที่มีฤทธิ์ปราบมาเนี่ยพระปราบมานี่เป็นพระรองนะต้องมีพระที่เป็นหัวหน้านำเป็นผู้นำทางธรรมะทางปัญญาก่อนเนเป็นหลักพระปราบมานี่มาช่วยเป็นตัวเสริมใช่ไ้ยเลยบอล นะี่ยถ้าไม่มีพระโมคคะลีบุตรติสเถรละไม่มีพระมหินเทเถรละซึ่งเป็นบุคคลในปรติศาสตร์และเป็นผู้นําในทางปัญญาทางธรรมะเนี่ยพระอุปคุตจะมาช่วยอะไรได้นะใช่ไหมหรืไปไม่รอดหรอก <สา S 2> จะมีแต่ริษ <สา S 2> มีแต่ ม, ตมาปราบมารอย่างเดียวไม่ไหวหรอกนะมันมารมันมาก็คือว่าเป็นตัวประกอบนะเป็นตัวหลังควานไนงะเรียกว่าตัวหลังควาน ทีนี้ท่านมีแล้วมีพระมหินตเถฑละมีพระโมกขลีบุตริสติสติละเป็นหลักให้แล้วและทีนี้พระอุปคุตก็มาช่วยปราบมารเรื่องงานก่อสร้างงาน อ, าอะไรงานฉลองพระธาตุอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคือเรื่องเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านถ้าเทียบสมัยพุทธกาลก็จะเห็นว่า พวกเก่งธุรการเนี่ยเขาเรียกว่าพวกเก่งฤทธิ์ยอมพอเข้าใจไหมงาน <'s> ธุรการเนี่ยเรียกว่าเรื่องฤทธิ์พอฤทธิ์อ่าเรื่องฤทธิ์คือการจัดการแก้ไขปัญหาตัดเลยตัวไปแต่พวกตัวเนื้อหาทางปัญญาเนี่ยต้องมีอยู่เหมือนอย่างสมัยพุทธกาลอคหสาวก ข, ของพุทธเจ้ามีฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาภาษารีบุตร เอตัทธ า, าทางปัญญาธรรมโมคคลานะเอตัธาคธาทางริษใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วบุคคลไหนที่สําคัญน่ะที่จะให้พระศาสนาอยู่ได้แท้จริงภาษาลีบุตรใช่ไหมช่งางภาษารีบุตรเลยธรรมโมคคลานี้เป็นรองมาตมัดช่วยงานธุรการไงก็ต้องมีพระที่เก่งธุรการด้วย ถ้าไม่มีพระที่เก่งธุรการมันก็ไปไม่ค่ะได้เหมือ น, นกันนะงานพระศาสนานะแก้ไขปัญหาแก้ไขพวกมาบังควานเบียดเบียนอะไรต่างๆหล่ะเนี่ยต้องจัดการได้เก่งจัดการ <c oughs> เก่งธุรการจัดการเนี่ยพระพวกนี้เรียกว่าพระที่เก่งฤทธิ์เ <c oughs> พราะจะเห็นนั่นเลยพอนี่ต้องมีพระที่เป็นหลักทางปัญญา กับผมได้รับข้อมูลจากหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของท่านจคุณนะครับว่าผู้ที่เป็นต้นดําริให้เผยแผ่พุทธศาสนาออกไปหลายๆประเทศเนี่ยจนมาถึงประเทศไทยบ้างศีรษงกายบ้างเนี่ยก็คือพระโมคคิริบุติสเทระนะครับอ๋อไม่ใช่โมคคันลานะนี่โมคคิริบุติโมคคิริบุตรติสเทระอันนี้ข้อมูลจากหนังสือพจนานุกรมนะครับท่านอาจารย์เขียนไว้ชัดเจนว่าผู้ที่เป็นผู้ที่มีความดําริหรือเป็นต้นชิด จะส่งผู้ศงสาออกไปนอกออกไปนอกอินเดียเนี่ยนะครับจนมาถึงไทยหรือสิริขรรยา เ, เป็นพระโมคะลิบุเตสิเตระ<ช>เพราะอย่างนั้นที่ท่านส่งออกไป9สายเนี่ยเป็นความดําริของท่านทั้งนั้นเลยเพราะท่านเป็นประธานสงในยุคนั้นท่านเป็นประธานจัดสังขยาานะครับรแต่เป็นเรื่องที่น่าอัศาจรรย์ครับผมออกเที่ยวตะเวนทั่วประเทศไทย ค้นหารูปปั้นรูปหล่อของพระโมกขลีบุติเศษรษฐะผู้เป็นต้นคิดให้นำพุทธศาสนามาถึงประเทศไทยหารูปปั้นรูปหล่อของพระโมคขลีบุติสุษตะแม้แต่หนึ่งองค์หาไม่พบครับที่วัดพระปะถมเจดีย์ดูเหมือนจะมีดูเหมือนนะครับดูเหมือนจะมะีรูปหล่อรูปปั้นของพระโสณาเถระกับอุตรเถระซึ่งจริงๆแล้วเป็นบริวารที่ที่พระโมกขลีบุตส่งมาเท่านั้นเองทําตามคําสั่งเท่านั้นเองส่วนวัดอศโศกการามที่อยู่สมุทรปราการ น, น, นะครับผมก็ไปตรวจสอบโดยละเอียด คุยกับพระผู้ใหญ่ในนั้นก็มีรูปปั้นพระโสนเถระพระอุตรเถระและพระอุปคุตเถระแต่ไม่มีพระโมคคิริบุติสัตย ะ, ะอีกผมเลยนึกในใจว่าคนไทยนี้หลงลืมพระสําคัญรูปนี้กันไปเสียแล้วเมืองไทยจะไม่มีพุทธศาสนาเลยถ้าไม่ได้พระรูปนี้เนี่ยครับเลยอยากฝากไว้ในไ ว, ไว้ไว้ในที่บันทึกเทปแล้วก็อาจจะพิมพ์เป็นหนังสือเลยว่าขอให้ช่วยกันสร้างรูปเหล่ารูปปั้นพระโมคคิริบุติสัถระหน่อยเถอะ ไม่อย่างนั้นคนจะลืมชื่อท่านไปนหมดไม่รู้จักว่าท่านเป็นใครท่านเป็นคนนําพระลักษนามาประเทศไทยจะฝากว่อย่างนี้ครับนอกจากว่าสองค์ก็ยังมีพะมระสงฆ์มหาราชที่วัดโสการาม อ, อ, อ๋อครับคือคือถ้ารูปหล่อรูปปั้นพระเจ้าสมาราชที่วัดโสการามนะทำองค์ใหญ่เลยนะครับแต่นอกจากที่นั่นแล้วที่อื่นๆก็ไม่ค่อยมีใครทํากัน นะครับแต่เนี่ยเอาล้พระเจ้าทสมมราชอย่างน้อยก็มีองค์ใหญ่และที่พระสงการาแต่พระโมคคริบุตรเสนาานี่คนไทยลืมหมดเลยนะครับเออแล้วก็เลือดแทรกตรงนี้นิดเดิง ก, ก็คืออันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ว่านี่แหละเห็นไหมคนไทยนิยมอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อยู่แค่รอบนอกอาจจะอาจจะนะจึงไม่ค่อยเข้าถึงสาระของพุทธศาสนา ไม่เอาเลยบุคคลที่เป็นเนื้อหาสาระใช่ไหมเป็นหลักของพระศาสนาพระโมคคลลีบุติเสเทระเป็นผู้ที่แก้ปัญหาทางปัญญาเป็นผู้ที่ให้คำสอนชี้แจงคำสอนไหนผิดนันไหนถูกมันยังไงเนี่ยคนไทยไม่สนใจใช่ไหมเอาแต่เรื่องริดเพราะนั้นคนไทยพุทธศาสนาอยู่มาเท่าไรปีกี่ร้อยเป็นพันปีก็อยู่อย่างเนี้ย ไม่เข้าถึงเลยตัวสาระตัวเนื้อหาเนี่ยไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมาเร่งนี้ด้วยท่านอาจารย์มีโอกาสได้พบเห็นรูปหล่อรูปปั้นพระโมคคุลีบุตรเตศทระที่ไหนบ้างที่อื่แหไมไม่เห็นนักอธรรมาก็ไม่ได้ดูอยู่ทีไม่เห็นไม่พบผมก็ไม่เห็นไม่พบครับรูปปั้นพระโมคคุลีบตมายังไม่ได้ไปดูเลยเลยพอนิดในฤทธิ์ในเดชอะไรนะผมขึ้นกลับจากกุฏิธานีจังหวัดที่อาจารย์เฉลิบเพชรชัย ผ่านวัดทุ่งแก้ววัดของพอาจารย์สลีเพชรชัยมีคําประกาศที่หน้าวัดขอเชิญบูชาพิคอนเนตนำมาจากอินเดียเสริมสริมงคลณวิหารวัดทุ่งแก้วผมว่าเข้าไปดูโไปกันใหญ่แล้วท่านอาจารย์หมายความว่าไปงานศพหมอเอชคนเจษณีดิพัปปแดงใช้มือเป็นรูปสาวกของพระพุทธเจ้าคว้ามือเป็นรูปพระพิคอเนตอ้าวเอาไปใหญ่แล้วมันกับไม่ได้ผานสนามหลวงเมื่อกี้วัดพระศิรจุเลนทอนอะไร อร hmm. อพระพิกเนตสามเมตรครับสาเมตรอีกแล้วห้าหกกัญยาแล้ววสีตูดาอาอีกแล้วต้นตำรับมหาจุดาสร้างพระพิกเนตเอามันไปกะใหญ่กระจุนทิศาจารย์ที่ท่านอาจารย์พูนแปะเลยครับเปตนี่แหละท่านเอาพระอุปคุดพระอินทรคุดมาเพื่อกันพวกพระคิกเนตเป็นต้นการไวเพราะมิชนะแล้วพวกนี้จะเข้ามาวุ่นวายเต็มไปหมดคนจะเห่เขวเพราะว่าพวกนี้มาแล้วมันดึงออกนอกลู่นอกทางมันไม่ใช่ฤทธิ์แค่ ฤทธิ์ที่เป็นธรรมะอย่างพระอินทกุตลวุคุณเนี่ยฤทธิ์ธธของท่านเนี่ยมาสื่อธรรมะได้เพราะเป็นตัวกลาง่เป็นสื่อบันไดที่จะดึงเข้าธรรมะทีนี้ถ้าไม่มีพระอุปคุตอินทกุตพวกพระพิคเนตพระพวกอิทธิฤทธิปาฏิหารภายนอกที่มีโลภะโทสะโมหะจะดึงไปหมดก็เลยเอาพระมีฤทธิ์ที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะมาเพื่อดึงเข้าธรรมะทีนี้คนไทยขนาดนี้ย ยิ่งกว่าไม่เข้าถึงหาสาระอีกนะยังเลยถลหลออกไปหาอิทธิฤทธิ์ภายนอกนี่คือออกไปหามานแล้วครับทีนี้พุทธจะนับถือพุทธก็ว่ากันไปนี่พุทธสมโนโควาพุทธแต่ปาก 95% ้าบ้าปรเยังไปอะไรไปฟาดกี้กันแน่ดิเออนหมดครับท่านทิาจาก็นั่นสิสิ่ง คนสนิทของพี่สุธยาเนี่ยเขชอบพลควาการเข้าทรงครับกาตาลีจริงชาวชิกที่มาศึกษารรบิทามเขาก็ไปมาทั่วหมดก็บอกไอ้เจ้าอินเดียเจ้าแขกนี่ทํำไมมาอยู่เมืองไทยเยอะแยะพื่น <Okay. S 1> ที่นคนปรปฐมก็เข้าองค์ทรงเจ้าแม่มาเทวีกั น, นอันกับู่ภาษาแขกกันอับเกย์ใจแฮ่อับ ก, กันนำเกแฮ่พูดก็ไปมาเจ้าทรงก็ตอบมาเอ แกก็บอกนี้มันไม่ใช่ภาษาแขกนี่โอ้ต้องวิ่งหนีเพราะว่าเขาไปที่คางกินก็คว้าปืนไปหลอกคนอัตลีเซเจอคนแขกจริงเข้าเลยครับเลยครับแล้ฮมีงานแหพระเอวัดแขกสีลมนะครับคนไทยไปกันเจอะอีกอ้าวนับถือพุทธก็ไปนับถือยินดูกันอีกคือเพราคนนี่แหละคนไทยตอนนี้ก็คือเห่ออกจากเนื้อหาสารละพุ่นสารแล้วก็สูงส่วนมากจะเป็นพวกเข้าวทรงเยอะพวกชอบเจ้าแม่วม้าเทวีอะไรเนี่ยนี่คือ สถานการ์พสทธศนานปัจจุบันใช่ก็คือเนี่ยก็เคยพูดบอกพระพรมมาใหญ่มงไทยถูกขับไล่มาจากอินเดียอา้าวพระพรมเนี่ยท่านขอภัยถ้าใช้ภาษาไทยท่านเรียวกว่าตกกระป๋องครับในอินเดียนะ ค, คือพระพรมเนี่ยยิ่งใหญ่มากต่อนพระพุทธเจ้าอุบัติเนี่ยพระพรมเป็นใหญ่ใช่ไหมต่อมาพอศ ส, สักสี่ห้าร้อยก็เริ่มตกตกมากแล้วก็มี พระวิษณุกับพระศิวะขึ้นมาพระนารายกับพระอิศวรขึ้นต่อจากนั้นพระนารายอิศวรก็ขึ้นมาเป็นใหญ่จนกระทั่งคนศาสนาพราหมณ์นี่ก็เรียกใหม่ว่าศาสนาฮินดูแล้วก็แยกเป็นสองนิกายนิกายนับถือพระวิษณุหรือพระนารายเรียกว่าไวยสนพแล้นิกายนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเรียกว่าไสยวะอินเดียตอนนี้ก็มีนิกายใหญ่อยู่แค่สองนิกายส่วนพระพรหมนั้นไม่มีที่อยู่แล้วอินเดียน่ะนะ พระพรหมนะั้นต้องอาศัยวัดของสองนิกายเนี่ยคือพอเขามีวัดของเขามีเทพเจ้าพระศิวะวิษณุพระพรองก็ไปอยู่ด้วยแต่พระพรหมนะี่ไม่มีอิสระความเป็นใหญ่แหละที่อินเดียปรากฏว่ามาใหญ่อยู่ที่เมืองไทยนี่ต่อไปต่อไปพระวิษนุนารายกับพระอิศวน <c oughs> ก็จะต้องตามมาเมืองไทยนะฮะ ตามมาหน่อยและมาเป็นพระตรีมูรติตรีมูรตินี่คือรวมสามใช่ไหมมีพระสิวะวิษณุแล้วก็พระพรมตอนนี้ต่อไปต้องคอยดูพระวิษณุนารายกับพระอิศวนสิวะเนี่ยจะมาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทีนี้พระพรมก็จะแย่อีกหาที่ไปใหม่ <c oughs> เลยคนไทยเนี่ยไม่เรียนรู้ไม่หาความรู้เรื่องสติปัญญานีนขอภัยไม่หา ก็น่าจะรู้ว่าพระพรหมที่ตัวนับถือคือใครมาจากไหนและเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยเอาแค่ว่าเขามีฤทธิ์จะสนองความต้องการในการขออ้อนวอนได้ก็เอาไม่ต้องรู้ละเอาแต่ได้แสดงว่าเมืองไทยในขนาดนี้มันตกต่ำไปหมดทุกทางนะครับท่านอาจารย์ก็ตกตามความเห็นยามไม่มีตัวยืนพักประมาทการทหารตำรวจบริหารการเมืองตกต่หมด ตกต่ําก็ต้องยอมรับก็ตอนนี้ถึงได้นเน้นบอกว่าปัญหาที่หนึ่งของเมืองไทยปัญหาคุณภาพคนครับการศึกษา <Designer. S 1> ก, ก, ก, ก็การศึกษานั่นแหละคือการพัฒนาคนผมขออนุญาตแซมท่านอาจารย์ตอนนี้ดูทีวีช่องเก้าบนท่านพอดีออมีอาจารย์จากจุราบอกว่าในสวีเดนเขาสอนคนให้คิดเป็นก่อนเขาจะไม่ยอมเรียนวิชาเฉพาะด้านให้เรียนปัจญาสีปีครับท่านุกอาจารย์ให้คนคิดเป็นก่อนครับเิืจะไปเรียนวิชาเฉพาะด้านเขาสร้างคนแบบนี้ ก็ไม่เป็นไรแต่คนไทยแตา ม, มาว่าต้องเน้นการหาความรู้คนไทยนี่บางทีข้ามไปคิดเลยไม่หาความรู้รู้ไม่ชัดรู้ไม่จริงรู้ไม่ท่องแท้คิดคิดบทฐานข้อมูลที่ไม่เป็นจริงคิดเอาห ม, มายความว่าได้ข้อมูลนั่นนิดนีด่หน่อยคิดแหละอย่างนี้ใช้ไม่ได้จะไปเน้นนักหน้าหรือพอด คิดเป็นนะใช่แต่ว่าต้องคิดบนฐานของความรู้ต้องเน้นมากคนไทยนี่ขาดอย่างยิ่งเลยความใ่รู้หาความรู้ให้ทองแท้แน่ชัดไม่มีอึศักกก็จะคิด <c oughs> เลยพอน่<ม>อาเชิผมคิด ว, ว่าสมควรแก่เวลาอ้าวไม่ใช <c oughs> ่เดี๋ยวจะเลยเวลาที่ท่านการุณกำหนดให้นะครับ <c oughs> เพราะว่าท่านอาจารย์มีปัญหาสุขภาพนะครับเพื่อโยมจะเป<อ>ิโดโอกาสให้ใครหรือเปล่าล่อไม่ทราบมีโยมท่านอื่นจะ ก็สุดแต่ท่านอาจารย์แต่<ล>ผมห่วงปัญหาสุขภาพท่านอาจารย์นะครับอะจะมาพอสู้แล้วต้องสู้เต็มที่แต่จะหน้ามยุยก็ต้องสู้เฉพาะของผมกับผมเองเนี่ยผมผมจะขอจบตรงนี้นะครับแล้วก็ขอขอกราบ <c oughs> ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ <c oughs> เป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสพ <c oughs> วกเรามาได้รับความรู้เป็นอันมากแล้วอยากฝากย้าอีกรอบหนึ่งครับว่าท่านอาจารย์ แก้ไขเพิ่มเติมพจน์กรมครั้งต่อไปเนี่ยกรุณาอย่าหลงลืมพระอุปคุตพระอินทคุตเพราะว่าผมค่อนข้างแน่ใจนะครับว่าจะมีพระสารีบุตรฝ่ายปัญญาข้างเดียวเนี่ยไม่พอนะครับเพราะว่าเปาเรามีแล้วพระโมคคัลลนะแต่ว่าอุปคุตนี่รุ่นหลังมากครับแต่แต่หมายมาคว่าเราต้องหาตอนนี้จําเป็นต้องหาพระภิกษุที่มีอิทธิปฏิหารเพื่อดึงชาวพุทธเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับคือ ท่านอาจารย์เองเปรียบเหมือนภาษาริบเหมือนเหมือนพระพุทธที่สายปัญญาสายสาระเล็กๆองค์หนึ่งสายสาระปัญญานะครับแต่เมืองไทยเนี่ยขาดผู้มีทิฐิปฏิหารแบบพระอุปคุตพระอินทรคุดจนเวลาเนี่ยเทวประปุติมานกำลังรบกวนุู้สงสัยพิทยอย่างหนักผมเนี่ยพยายามสะกดรอยตามว่าเทวปุติมาลกําลังทําอะไรอยู่ในพิทศไทยผมพบร่องรอยไม่ใช่น้อยนะครับซึ่งไม่มีเวลาเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังผมพบร่องรอยว่าเทวปุติมาลกําลังทํางานหนัก แล้วเทวปุตตมานองค์ที่กำลังทํางานหลักเวลานี้คนละองค์กับที่รบกวนสมัยโ น, น้น เ, เพราะว่าองค์ที่รบกวนสมัยโ น, น้นท่านปรารถนาพุทธภูมิแล้วท่านเป็นสมาธิิตไปแล้วบัตรนี้มีเทวปุตมานองค์ใหม่องค์ใหม่ที่มาเป็น เป็นเจ้าอ่ะนะครับ <le op in> องค์ใหม่มาแทนที่แล้วและองค์ใหม่กําลังทํางานในลักษณะที่ใช้เทคนิคไม่ซ้ํากับองค์ก่อนเลยแ <le op in> ทวปุตมุมานองคปัจจุบันนี้ใช้เทคนิคใหม่และพุทธศาสนากําลังอาการหนักเพียบ <le op in> เพราะฝีมือของเทวปุตมุมานองคใหม่นี่ครับ <le op in> ใช้เทคนิคที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยกับองค์ที่รบกวนพระพุทธองค์และพระอุปคุตได้ปราบ ไ, ไปแล้วะ <le op in> ตอนนี้มีองค์ใหม่ใช้เทคนิคใหม่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสจะเล่าถวอยทนอาจารย์โอกาสต่อไปครับทนาด้วยทีนี้ที่ว่า ยังไม่ได้ลงแนละ้เพรนาะฉันทร์นุกรมไม่ใช่อะไรมันเป็นเรื่องด้านความรู้ก็ว่าไปตามลำดับของหลักฐานนี่พรอบาคุนนี่ก็มือหมายความเมื่อหนังสือมันขยายขึ้นก็จะถึงลำดับได้ค่อยๆไปตามลำดับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันและเราก็เห็นความสําคัญของพระฝ่ายธุรการจัดการอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยก็สําคัญมาก ถ้ามีแจ่ไปเนื้อหาสาระจัดการไม่เป็นก็ไปไม่รอดเหมือนกันใช่ไหมลูกบอลก็เป็นเรื่องใหญ่เลยจัดการเนี่ยนี่มก็แต่มันก็ต้องอาศัยพื้นฐานปัญญาแล้วคนที่จะจัดการได้ดีก็ต้องเข้าถึงสาระแล้วก็มัาเชื่อมว่าจะเอาสาระออกมาสู่การปฏิบัติอย่างไรเนี่ยจะต้องจัดการให้สําเร็จแล้วเรื่องนี้แล้วยมยังมีอะไรไม่มีแง่อะไรเลย เเววนลลาแ้ไม่ที่ตอบไปนี่พอจะเข้าเรื่องเปล่าล่ะก็ก็ได้ความกระจ่างเป็นอันมากครับก็กราบขออนุโมทนาสาธุผมยังหวังว่าจะได้มีการเอาไปเอาไปปรับปรุงเรียบเรียงเป็นเล่มนะครับก็ทําผมผมจะช่วยจัดพิมพ์ด้วยถ้าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ผมจะช่วยด้วยครับอนุโมทนาคือตันนี้ต้องเตือนคนไทยอย่าเพลิดเพลินหลงไหลประมาทอยู่ในเรื่องของนี่นลคือยิ่งเราเป็นนี่ยิ่งต้องไม่ประมาทหนักครับไอีก ใช่ไหมคนที่เป็นนี้เนี่ยตามหลักแล้วต้องยิ่งไม่ประมาทถ้าก็มีตัวมาบีบคั้นแหละเราหมดอิสรภาพนี่เราเสียอิสรภาพเราจะต้องเร่งแก้ไขอะไร น, น, นะแก้พันธนาการใช่ไหมแก้เครื่องผูกมัดไม่ใช่มาเพลินอยู่จนกระทั่งเขาขังไว้ตัวเองก็เพลินอยู่ในที่ขังใช่ไหมมีคนที่เพลินในที่ขังก็มีใช่ไหม <laughs> เพราะเขารู้จักรอ <laughs> เอ๊ะ น, นี่การระวังเนี่ยคนไทยเนี่ยทําไงจะถอนตัวออกได้เป็นอิสระให้สมชื่อไทยจริงๆสักทีนะ อ, อไทยเป็นไทยเป็นอิสระแต่ตอนนี้ต้องถามตัวเองว่าเป็นอิสระหรือเปล่าเนี่ยหรือเต็มไปด้วยเครื่องผูกมัดพันธนาการหรือแม้แต่เป็นทาสไปแล้วไม่เป็นทาสอย่างน้อยเป็นเหยื่อซะเยอะเลยนะใช่ไหมเลือบอ เวลานี้เป็นเหยื่อมากนะคนไทยเนี่ยแม้แต่ระบบไอทอะไรแต่อะไรเนี่ยคนไทยนี่อยู่ในภาวะเป็นเหยื่อมากเหลือเกินจริงไหมอาจารย์อคือแทนที่จะเป็นนายของไอทีนะไปเป็นเหยื่อไอทีซะมากมันต้องคิดยังไงไงแ ง, ง, ง, ง่เหล่านี่จะเป็นนายจะเป็นผู้ใช้เป็นผู้กระทํำยังไงไอนี่เป็นผู้ถูกกระทําเนี่ยถูกไอทีกระทา ถูกกระทาเป็นเหยื่อแล้วก็ประมาทหลงไหลเพลิดเพลินเป็นผู้บริโภคไม่ได้เป็นผู้ผลิตเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฝ่ายฝ่ายล่างทั้งนั้นเลยท่านอาจารย์ครับ <S <S ถ้าเผื่อจะมีการรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาที่บันทึกเทปไปวันนี้ออกเป็นหนังสือซึ่งผมจะช่วยค่าพิมพสำหรับสูนย์นเต็มที่นะครับท่านอาจารย์ชอบชื่อไหนครับใช้ชื่ อ, อที่ทาง่ายก็เป็นไทยต้องไม่เป็นนีเอา้าวนี่ตรงเป้งเลยนะหน้าอ่านเวลาเป็นไทยต้องไม่เป็นนี้ดีครับ<อ>แล้วผมอยากจะดาว่าหนังสือเล่มนี้ น่าจะเป็นที่ที่คนอนามไปแจกจ่ายแพร่หลายกันมากด้วยเพราะบางไทยกำลังวิกฤตจริงๆ<อ>คนจะล้มละลายกันเพียบเลยครับก็มังไงก็เช่นสู้ความเป็นไทยที่ไรนี่